อาจารย์พุทธทาสพิุ พ, นะพกเราคงรู้จักนะชื่อเสียงกิจิศักดิ์ของท่านนะท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถหลายอย่างนอกจากการเขียนการสอนการเทศแล้วนะมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งที่เราอาจจะนึกไม่ถึงนะก็คือการทำครัวนะนะท่านทำครัวตั้งแต่เล็กนะแล้วก็เป็นพ่อครัวที่เก่ง แม้บวชพระแล้วท่านก็บางครั้งก็ลงมือทำครัวเองนะเลี้ยงพระในเวลามีงานต้องไปชักลากไม้นะจากในป่านะต้องระดมคนทั้งพระทั้งเนรทั้งโยมพระเจ้าจา่าพุทธบางทีก็ลงมือทำครัวเองเวลาท่านทำอะไรก็ตามนี่ท่านทำได้ดีนะเพราะว่าท่านตั้งใจแล้วก็ ท่านสามารถที่จับหลักได้ท่านตั้งข้อสังเกตว่าอาหารไทยเนี่ยมันจะประกอบด้วยสามส่วนเสมออันแรกคือเครื่องแกงอันที่สองคือสิ่งที่ถูกแกงอาจจะเป็นเนื้อเป็นผักเป็นแป้งอันที่สามคือน้ามันหรือกะทินะซึ่งเป็นตัวช่วยละลายเครื่องแกงหรือว่าทำให้เครื่องแกงมันคล้าไปกับสิ่งที่ถูกแกงก็ทาให้อาหารอร่อย บอกว่าอาหารไทยนนไม่พ้นสามอย่างนี้แม่แต่อาหารที่แห้ ง, หงเช่นหอหมกนะก็ต้องมีสามส่วนเสมอไปรวมทั้งขนมด้วยนะก็มีสามเหมือนกันนะก็คือแป้งน้ำตาลกะทิน้ท่านจับหลักได้ท่านก็เลยสามารถทียบปรุงอาหารให้อร่อยได้ที่จริงไม่ใช่เฉพาะการปรุงอาหารให้อร่อยนะ เวลาการทำอะไรก็ตามเนี่ยจะทำให้ได้ดีทำให้สำเร็จได้เนี่ยก็ต้องมี3ส่วนเสมอนะส่วนแรกนี่นะเป็นเรื่องของความรูนะ้ความรู้ในสิ่งที่เราทำอาจจะรวมไปอาจจะรวมไปถึงเรื่องทฤษฎีก็ได้อันที่2นี่ก็คือทักษะนะ อ, อย่างนี้ถ้าเรียกเป็นภาษาฝรั่งก็คือ hand กับ head นะ แต่ว่าเท่านี้ไม่พอนะมันต้องมีส่วนหนึ่งนะก็คือเรื่องของใจหรือว่าหัวใจนะไม่ว่าทำอะไรเนี่ยมันต้องมี3 ส, ส่วนประกอบกันอยู่เสมอหมอเนี่ยพวกเราหลายคนเป็นหมอนอกจากจะต้องมีความรู้ในเรื่องกายวิภาคมีความรู้เรื่องสาเหตุแห่งโรคนะเราก็ต้องสามารถที่จะรักษาโรคได้ด้วยนะต้องมีทักษะ เดิมแต่การฉีดยานะการผ่าตัดพวกนี้ก็ต้องอาศัยมือที่เที่ยงนะต้องอาศัยทักษะในทางในทางกายภาพนะหรือต้องอาศัยมือใช้มือใช้ทักษะทางด้านกายภาพนี่แนะถึงเรียกว่ า, าโรคศิลปะประกอบโลกศิลปะนะคนที่จะเป็นหมอได้นี่ก็ต้องได้ใบประกอบโรคศิลป์นะ โลกศิลป็คือโลกศิลปะนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องทักษะแต่ว่าท่านั้นไม่พอนะก็ต้องมีใจด้วยเช่นใจที่มีเมตตากรุณาต่อคนไขนะ้เข้าอกเข้าใจคนที่เขามีความทุกข์แล้วก็เข้าใจกระทั่งว่าความทุกข์ของเขามไม่ใช่แค่ความทุกข์กายนะแต่มีความทุกข์ใจด้วย้หมอที่มีแต่สองอย่างก็คือ เฮดนะกับแพนนะแต่ว่าไม่ค่อยมีฮาร์การรักษานั้นก็จะทำได้ไม่ได้ผลดีหมอบางคนนะคนไข้เพียงแค่เห็นหน้าหมอมาเนี่ยเขาก็รู้สึกดีขึ้นเลยเพราะว่าเขามีศรัทธานในตัวหมอแล้วเขาเชื่อในความเมตตากรุณาของหมอหมอยังไม่ทันจะให้ยาเขาไม่ทันจะฉีดยาเขาก็กกรู้สึกดีขึ้นแล้ว พอหมอคนนั้นเนี่ยนะไม่ใช่มีแต่ความรู้ในเรื่องหมอในเรื่องโรคนะไม่เพียงแต่มีทักษะในการรักษาแต่ว่ามีใจด้วยดนตรีก็เหมือนกันนะแม้กระทั่งศิลปินเนี่ยเช่นนักดนตรีก็ต้องมีความรู้ในเรื่องทฤษฎีนะ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเช่นจับกีตานี่จับยังไรนะหรือว่าจะจับไวโอลินนี่จะจับยังไรนะมันถึงจะถูกเมื่อที่ที่แล้วก็มีกลุ่มนักเรียนกีตาร์คลาสสิกนะมาที่วัดแล้วก็บางครั้งอสองคืนเขาก็มีการแสดงดนตรีนะ เล่นกีตาร์คลาสสิกให้ชาววัดดูฟังกันนะก็สังเกตนะครับ เ, เวลาเขาจะจับกีตานี้เรื่องการวางมือการวางเท้านี่นมันเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของต้องอาศัยความรู้นะด้านทฤษฎีแล้วก็รวมถึงเรื่องความสามารถในการอ่านตัวโน้ตหรือว่าเข้าใจถึงเรื่องทฤษฎีเพลงมี ความรู้แล้วเนี่ยยังไม่พอต้องมีทักษะนะอันนี้เป็นชัดเป็นเรื่องีชัดเจนอยู่แล้วนะั้นต้องดนตรีนะั่็ต้องมีทักษะนะถ้ามือนะมือไม่ไวนะเพลงมันก็ไม่สามารถจออมาได้ดังใจนะเห็นหนักกีตาร์คลาสสิกนี่เขาเขาใช้มือนี่ไล่นะไล่คอร์ดเร็วมากเลย อันนี้คงรวมถึงดนตรีอย่างอื่นด้วยเครื่องดนตรีอย่างอื่นเช่นวาลลินหรือว่าเป น, นโนโนีน่ถึงจุดหนึ่งมันต้องเร็วมากเลยมันถึงจะแสดงอารมณ์ของเพลงได้แต่มีทักษะแล้วมีความรู้ในเรื่องเพลงนั้นๆได้แล้วนี่ไม่พอต้องใจนี่สำคัญเหมือนกันเช่นอารมณ์นี่ต้องเข้าใจถึงอารมณ์ ของเพลงได้เพลงบางเพลงนี่มันเพลงที่เด็กเล่นได้นะแต่ว่าไม่เข้าถึงอารมณ์ของเพลงนะเพราะว่าเด็กไม่มีประสบการณ์เด็กอาจจะไม่มีประสบการณ์ความสูญเสียไม่มีประสบการณ์การ อ, า อ, อกหักนะมาเล่นเพลงก็เล่นได้ถูกตัวโน้ตทุกอย่างนะแต่ว่าเพลงมันไม่เพาะเท่าไหร่เพราะว่าใจาเขายังไม่ถึงไม่ถึงอารมณ์ของเพลงนะแต่เรื่องของใจมันไม่ได้แค่นั้นนะ มารวมถึงว่าเวลาขึ้นเวทีแล้วไม่ตื่นด้วยอย่างก็มีเด็กคนหนึ่งเขาก็มามาเล่นเพลงเพลงก็ไม่ยากนะเพลง Happy Birthday <c oughs> เพราะว่าเพิ่งเพิ่งเรียนมาแต่ปกติว่าพอมาสแสดงให้พวกเราดูก็เล่นไม่ออกนะอันนี้ก็เข้าใจเขานะเพราะว่าเด็กยังเล็กแล้วก็ตื่นเวทีนะ พอมีสายตา20คู่นะมองเขาเขาก็เกร็งนะตื่นก็เล่นไม่ออกนะอันนี้ก็ชี้ให้เห็นนะว่านะใจสำคัญมากนะทักษะอย่างเดียวไม่พอนะแล้วก็ความรู้ในทางทฤษฎีก็อย่างเดียวก็ไม่พอเหมือนกันลองดูเถอะนะการทำอะไรก็ตามเนี่ย ถ้าจะทำให้ได้ผลดีให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องอาศัยสส่วนนี้เสมอนะก็คือเฮทนะแฮแล้วก็ฮาร์ดความรู้นะทักษะแล้วก็ใจนะที่ถึงแม้กรทั้งกีฬานะนะกีฬาเนี่ยกีฬานี่ก็ต้องใช้หัวสมองนะเรื่องตั้งแต่ทฤษฎีนะ ของเกมของกีฬาลงก็ทําไปถึงว่าใช้สมองในการอ่านเกมทนะักษะอย่างเดียวไม่พอนะหลายคนมีทักษะดีนะแต่ว่าอ่านเกมไม่ออกนะแก้เกมไม่ได้นะก็ไม่ถือว่าเป็นนักฟุตบอลระดับโลกได้นะแต่ว่าอ่านเกมออกแล้วนะทักษะเป็นเยี่ยมเป็นเลิศนะ มันก็ต้องอาศัยใจเหมือนกันนะเพราะว่าทักษะกับใจนี่มันไปด้วยกันร่างกายคนเราเนี่ยนะมันเป็นบ่าวนะมีใจเป็นนายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนักฟุตบอลที่ตื่นสนามนะก็เหมือนกับนักดนตรีนะที่ตื่นคนมันก็เล่นไม่ออกนะถึงแม้ว่าเวลาซ้อมนี่ซ้อมเก่งหรือว่าเวลา ไปในสนามของคู่ต่อสูนะ้สนามของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะเราสังเกตมาเวลาเรฟุตบอลเนี่ยถ้าไปเล่นสนามตัวเองเนี่ยนะก็จะเล่นมักจะชนะแต่พอไปเล่นสนามของฝ่ายตรงข้ามหรือคู่ต่อสู้นี่ก็แพนะ้อย่างล่าสุดมีมีทีมไหนนะปอโต้ใช่ไหมชนะบายเยินสาูนย์ในบ้านแต่พอไปเล่นในในบ้านของบายเยิ น, นโดนถล่มไป6กหนะึ่งมันผิดรูปมากเลย เป็นเรื่องของใจนะเรื่องของใจทักษามันเจาะมาหรือไม่นะมันอยู่ที่ใจมากทีเดียวถ้าใจนี่ไม่พร้อมที่จะรับแรงกดดันนะก็ตีนบอดนะแล้แรงกดดันที่สําคัญนะก็คือตอนที่จะต้องเป็นคนเตะลูกโทษนะโดยเฉพาะในนัดสําคัญสําคัญเราคงทราบนะวนะเวลานัดสำคัญนี้ถ้าเาเสมอเนี่ยต้องตัดเชือกเนี่ย ก็ต้องให้เตะลูกโทษกันคนละห้าลูกหน้าประตูแล้วก็เราก็จะพักจะพบเสมอว่าแม้กระทั่งนักฟุตบอลระดับโลกหรือว่ามีชื่อเสียงพอมาเตะตรงนั้นเนี่ยเตะไม่เข้าเตะวืดเตะออกเลยกรอบนะหรือว่าเตะไปชนเสาอนี้ก็มีเยอะทั้งทั้งที่เวลาซ้อมนี่เ่เตะเข้า 99% แต่เวลามาลงสนามจริงโดยเฉพาะในนัดสำคัญนัดตัดเชือกนัดชิงชนะเลิศที่ต้องวัดกันด้วยการเตะลูกโทนี่หลายคนที่มีทักษะดีนะก็เตะไม่เข้าซึ่งสรุปแล้วก็เป็นเรื่องใจนะพูดนี้ไม่ได้เดาเองนะเพราะว่าแต่พูดเพราะว่ามันมีการสรุปนะจากการวิจัยมีสถาบันนะเาสถาบัน ระดับชาตินี้เขาวิจัยเลยนะว่าทำไมทีมดังๆนี่เวลาเตะลูกโทษทำไมบางทีเตะเข้าบางทีมบางทีมชนะแต่บางทีมไม่ชนะเพราะเตะไม่เข้าเขาพบว่าที่เตะไม่เข้าเนื่องจากนะักฟุตบอลเนี่ยเขาเขารู้สึกทนรับแรงกดดันไม่ได้เวลามีสายตาคนดูนี่ หลายหมื่นคู่ดูเขาแล้วก็รู้ด้วยว่าคนเป็นล้านนี่ดูเขาทันทีที่เขาคิดต่อไปว่าถ้าก็เตะไม่เข้านี่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเตะไม่เขา้าแฟนบอลก็จะโฮหฮาด่าเขานะแล้วก็ยังไม่ต้องพูดถึงว่าทีมนี่ตกรอบพอคิดแบบนี้เนี่ยนะโอกาสที่จะเตะไม่เข้านี่มีสูงนะอีกเหุผลนก็นคือว่าเป็นทีมที่มีประวัติการเตะไม่เขา้า หรือแพทย์ในการเตะในการดวลลูกโทษเนี่ยถ้ามีประวัตินะในการดวลลูกโทษไม่เข้านี่ก็มีโอกาสที่จะเตะไม่เข้าจริงๆด้วยแล้วเขาก็สรุปว่าเนี่ยทีมที่มีประวัติในการอันนี้ เ, เฉพาะทีมยุโรปนะที่ประวัติการเตะลูกไม่เข้าเวลาดวลลูกโทษเนี่ยนะก็คือนะอังกฤษกับฮอลแลนด์นะ แล้วเวลาจะมีการเตะลูกโทษทีไยก็เดาได้เลยว่าเนี่ยคงแพ้อีกแล้วก็แพ้จริงๆแต่ทีมที่มีประวัติการเตะลูกโทษเข้าเนี่ยเมื่อเตะ ก, ก็จะมักจะเข้านะทีมที่ติดอันดับในเรื่องนี้คือทีมเยอรมันไอ้พวกนี้เนี่ยมันมันให้ง่ายคิดนะมันไม่ใช่แค่เรื่องของความความน่าสนใจเดี๋ยวมาให้แง่ายคิดว่าถ้าสรุปแล้วเนี่ยที่เตะไม่เข้าเนี่ย ทั้งที่มีทักษะดีเนี่ยก็พอาะอะไรพอะใจอัที่หนึ่งใจเนี่ยมันไปอยู่กับอนาคตอนาคตที่ว่าคือว่าถ้าเตะไม่เข้าจะเกิดอะไรขึ้นนะจะถูกคนดา่โาโหฮานะจะเสียชื่อเป็นที่อับอายก็ทำให้เกิดการเกรงเกิดแรงกดดันอีกสายนึงคือใจมันไปอยู่กับอดีตนะอดีตทีมของเรานี่มันแพ้ก็จะ เกิดความไม่มั่นใจขึ้นมาพอไม่มั่นใจนี้ก็ก็ทําให้เตะไม่เข้าจริงๆอันนี้เรียกว่าใจไม่อยู่กับไม่อยู่กับปัจจุบันนะใจไปอยู่กับอดีตบ้างไปอยู่กับอนาคตบ้างเป็นเรื่องของใจล้วนๆนะถ้าเกิดว่าต้องโดนลูกโทษกันเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นนะไม่ว่าจะแม้กระทั่งการทําให้สําเร็จ ทั้งในแง่ของงานดนตรีศิละปะหรือว่ากีฬาเนี่ยนะสามโสนี้สำคัญนะเทสแอนแล้วก็ฮาร์ความรู้ทักษะแล้วก็ใจนะพวกเราเวลาทำงานก็เหมือนกันนะทำงานเนี่ยนะถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้เยอะนะมีข้อมูลมากนะคิดเก่ง คิดเป็นระบบนะและขณะเดียวกันเราก็มีทักษะนะมีทักษะในการถ่ายทอดหรือว่ามีทักษะในการที่จะทําให้เกิดผลในทางปฏิบัติก็คือปฏิบัติไดนะ้แต่ว่าถ้าหากว่าใจเราเนี่ยนะไม่เอื้ออานวยเนี่ยมันก็ทำให้งานไม่สำเร็จนะหรือว่างานไม่ดีเท่าที่ควร หลายคนนะทํางานแล้วเนี่ยวางใจไม่เป็นหรือว่าเจอแรงกดดันมากๆเนี่ยนะก็ทำให้เครียดพอเครียดแล้วเนี่ยให้ความรู้ความสามารถที่มีเนี่ยมันก็ออกมาได้ไม่เต็มที่นะเราคงสังเกตในเวลาเวลาเครียดหรือเวลาเราโกรธโมโหนะมันคิดอะไรก็คิดไม่ค่อยออกนะเวลาจะทําอะไรก็ทาได้ไม่ดีพอ เป็นพเพราะอารมณ์นะเป็นพาะใจนะจะเป็นพ่อเครียดก็ตามเพราะโกรธก็ตามนะหรือว่าวิตกกังวลก็ตามหนักอกหนักใจก็ตามแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความเครียดนี่เป็นเป็นเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะแล่ซึ่งพอเครียดแล้วเนี่ยนะมันก็ทำให้การเรียนรู้ก็ดีหรือว่าการทำงานให้ได้ผลก็ดีนะมันก็พร่องไปหลายคน ก็มีนะทำงานได้ดีแต่ว่าตัวเองเนี่ยเครียดพอเครียดสะสมเข้านะมันก็ทําให้ไม่สามารถจะทำงานที่ดีได้อย่างต่อเนื่องเกิดความล้านะเกิดความาไม่สามารถที่จะทํางานไม่สามารถที่จะผลักดัน ง, งานให้มันต่อเนื่องไปได้บางทีก็ป่วยนะป่วย หลายคนป่วยเนี่ยนะมันไม่ใช่เพราะว่างานหนักอย่างเดียวนะแต่เพราะว่าความเครียดสะสมด้วยอารมณ์มันถูกกระทบง่ายก็ทําให้งานเนี่ยมันไปได้ไม่ยั่งยืนยังไม่ต้องพูดถึงคนที่เรียกว่าเครียดจนทำอะไรไม่ได้เลยนะต้องขอพักงานนะเพราะว่า มันหมดสภาพนะภาษาฝรั่งเขาเรียกเบิร์นเอาบางท่านก็แปลว่าจิตสลายนะจิตสลายนะมันเป็นเรื่องของใจนะที่เครียดเป็นเปอร์เซนต์ที่มากทีเดียวนะไม่ใช่เป็นเพราะว่ากายเนี่ยมันเหนื่อยมันลา เ, าเรื่องใจนี่สำคัญมากนะในการที่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะทำงานได้ดีได้สำเร็จหรือเปล่านะ แล้วก็ถ้างานที่มันดีจริงนะมันจะเกิดผลตามมาก็คือว่างานก็ได้ผลนะคนก็เป็นสุขด้วยเมื่อสองสามันก่อนไปไปพูดนะไปบรรยายในลักษณะของการสนทนากันที่ธนาคารแห่งหนึ่งเขาตั้งชื่อหัวข้อว่าสุขอย่างไรในที่ทำงานที่แรก พิธีกรก็ถามว่าใครมีคาถามไหมในเรื่องนี้ก็ไม่มีใครถามนะอาตมาก็เลยถามเองเลยว่าถามคนคนที่มาฟังเนี่ยนะว่าทำไมเราต้องสวงหางความสุขในที่ทำงานด้วยนะเพราะว่างานเนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็มุ่งไม่ใช่หรือว่าจะให้งานนี่มาสำเร็จนะเมื่องานสำเร็จมันก็โอเคแล้วนะ จะไปแสวงหาความสุขทําไมหลายคนมาทํางานเพราะอยากได้เงินนะอยากผ่อนรถผ่อนบ้านาทําแล้วได้เงินแล้วก็น่าจะพอใจแล้วแล้วทําไมต้องเรียกร้องความสุขทําไมความสุขมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ของคนที่ทํางานในเวลานี้ถ้าอยากแสวงหาความสุขก็ไปแสวงหาที่ห้างสรรพสินค้าสิไปแสวงหาที่โรงหนังสินะไปแสวงหาตามรีสอร์ทตาม ตามชายทะเลสิทำไมต้องมาแสวงหางานแสวงหาความสุขในที่ทำงานหลายคนก็ตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้เออทำไมเราต้องมาแสวงหาความสุขในที่ทำงานในเมื่องานเนี่ยนะเรามาทำก็เพื่อให้มีเงินใช้เราทำเพื่อให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาแล้วจะแล้วทำไมถึงไม่พอใจนะทำไมถึงต้องการความสุขอีก เมื่อเขาตอบไม่ได้ต่อมาก็เลยตอบเองซะเลยนะว่าก็เพราะความสุขเนี่ยมันสามารถจะช่วยหล่อเลี้ยงช่อเลี้ยงการทำงานได้ถ้าเรา ม, มีความสุขกับงานนะมันก็ทำให้งานออกมาดีก็เหมือนกับการเรียนหนังสือนะเรียนหนังสือเนี่ยถ้าเรียนด้วยความทุกข์นะมันก็เรียนไม่ค่อยเข้าหัวนะหรือว่าพัฒนาการทางสติปัญญาก็ไม่ดีเท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามีความสุขกับการเรียนหรือสนุกกับการเรียนนะนะก็ทำให้เราเรียนได้ดีแล้วก็ทำให้เราขยันขันแข็งในการฝ่ายรู้นะาฝ่าศึกษาด้วยถึงแม้ว่าเขาจะให้เาจะแทนที่จะเรียนแค่ไปโรงเรียนนะพอเลิกเรียนก็การเรียนรู้ก็ยุตินะไม่ใช่เลยนะ ถ้าเราสนุกกับการเรียนและมีความสุขกับการเรียนนะแม้เลิกเรียนไปแล้วนะเราก็ยังสางหาความรู้ก็ยังศึกษานะบางทีก็เข้าห้องสมุดนะที่จริงเนี่ยก่อนจะเข้าห้องเรียนด้วยซ้ำนะก็จะหยิบหนังสือมาอ่านหรือว่าไปหาความรู้เพิ่มเติมมันไปเองนะอันนี้ผู้จาบประสบการณ์ส่วนตัวพอมีความสุขหรือสนุกกับการเรียนแล้วเนี่ย บันทีตื่นเช้าขึ้นมานตีห้าเนี่ยก็เอาหนังสือมาอ่านแล้วมาเปิดแล้วนะไม่มีใครสั่งไม่มีใครบังคับนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าการที่ได้ความรู้มันทาให้เรามีความสุขมากขึ้นนะอาการความสุขมันจาเป็นสอบการเรียนรู้ฉันใดนะการทำงานก็เหมือนกันนะความสุขก็มีประโยชน์มีความสำคัญต่อการทำงานเหมือนกันนะเพราะมันทำให้เราเนี่ยนะทงานได้อย่าง ยั่งยืนงานจะไม่ใช่ยาขมของเราแล้วมันทำให้เราเนี่ยเกิดความขยันหมั่นเพียรมากขึ้นเพราะว่าการที่คนเราจะมีความสุขได้เนี่ยมันต้องมีฉันทะฉันทานี่แปลว่าความชอบถ้าเราชอบเรียนนะเราก็มีความสุขกับการเรียนมันเกิดความขยันหมั่นเพียรตามมาถ้าเรามีความสุขการทำงานนั่นหมายความว่าเรามีความชอบที่จะทำงาน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ทําให้เรานะขยันทํางานมีความภาคเพียรมากขึ้นแล้วถ้าเราขยันทํางานเราหมั่นศึกษาคนา้นคะว้าหมั่นไตร่ตรองพิจารณานะีมันก็ทําให้เรานะเห็นข้อที่ควรปรับปรุงข้อที่ควรแก้ไขนะอันนี้มาเข้าหลักอิทธิบาทสีนะฉันทาวิริยะจิตตาวิมังษาฉนะันท่คือความชอบนะชอบก็ทําให้ขยันขยันก็ทําให้เกิด ใจจดจ่อเป็นสมาธิพอใจจดจ่อเป็นสมาธิอยากําให้งานออกมาดีก็ต้องมีการไตรตรองไข่ครวนเวลาเพื่อนแนะนำแล้วก็มีความยินดีไม่โกรธเพื่อนนะว่าเพื่อนม า, ายุ่งยามอะไรกับงานของฉันมันไม่มีความคิดแบบนี้ไม่รู้สึกเสียเสียเซลฟ์เสี ย, self, สยหรือว่าอีโก้ถูกกระทบนะเพราะว่าความต้องการอยากให้งานดีเพราะฉะนั้นใจมันก็เปิดรับคำแนะนำหรือแม้กระทั่งคาวิจารณ์ด้วยซ้า อันนี้ก็ทําให้ความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงานก็พลอยดีไปด้วยนะคนทําก็ทํางานอย่างได้ผลไม่ใช่แค่ได้ผลเท่านั้นใจก็มีความสุขด้วยและความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงานก็ดีเอ่นจะเห็นได้ว่าในะเรื่องของการทํางานเนี่ยมันเรื่องใจสําคัญมากนะถ้าเราวางใจเป็นนะเช่นเรามีสติอยู่กับปัจจุบันนะ เวลาทํางานใจแล้วก็อยู่กับงานนะหลายคนก็รู้อยู่แล้วนะว่าถ้าใจวอกแวกเนี่ยมันก็ทําให้งานออกมาไม่ดีจะคิดอะไรก็ตามนะมันคิดไม่ค่อยออกเพราะใจมันฟุ้งซ่านเดี๋ยวแว บ, บไปทางโน้นแวบบไปทางนี้เนี่ยมันก็พานให้คิดไม่ออกนะจะเขียนหนังสือจะเขียนรายงานนะหลายคนพบว่าใจเนี่ยมันไม่มีสมาธิเพราะใจมันแว บ, บไปโน้นแวบบไปนี้นะก็เขียนไม่ออกนะที่จริงแล้วเนี่ย หากว่านั่งอยู่สักพักแล้ ว, วมีสติมีสมาธิกับงานนะที่แรกเนี่ยมันก็จะแว บ, บไปแวบบมานะแต่พอไม่ไม่ย่อท้อไม่หงุดหงิดไม่รำคาญนะผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งมันเริ่มเขียนออกแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นจิตเริ่มเป็นสมาธินะจิตเริ่มนิ่งนะพอจิตเป็นสมาธิพราะมีสติเป็นตัวกากับจิตไม่ให้ว็อกแวกนะก็ทำให้ สติปัญญานะีที่สะสมมาเนี่ยมันทํางานแต่หลายคนเนี่ยนะเขียนไม่ออกเลยนะเพราะว่าใจเนี่ยมันวอกแวกนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําให้ใจเนี่ยมันอยู่นิ่งๆจนเป็นสมาธิได้ น, นี้เพราะว่าขาดสติหรือบางทีก็ถึงแม้พอยาทําได้แต่มันเครียดมันความเครียดเกิดจากอะไรนะความเครียดเกิดจากใจที่ไม่อยู่กับปัจจุบันใจไปอยู่กับอนาคตอีกต้องนานกว่าจะเสร็จนะเมื่อไรจะเสร็จสักทีเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จ นะหรือไม่ก็คิดถึงงานอีก10ชิ้นนะที่มันคอยคอยอยูนะ่บางคนแค่จะทํางานเนี่ยพอนึกถึงงานอีกสิชิ้นที่คอยอยู่นะข้างค้างอยู่เนี่ยมันรู้สึกหนักอึ้งขึ้นมาเลยแล้วมันพานทําให้ไม่มีเรื่องไม่มีแรงที่จะทำงานชิ้นนั้นได้นะก็เลยเป็นว่าเข็นงานไม่ออกงั้นะถ้าเราเนี่ยเห็นความสําคัญนะของใจนะว่าใจเนี่ยมันสําคัญมากสําหรับการ ทำอะไรก็ตามรวมทั้งการทำงานด้วยนอกจากการที่เราจะแสวงหาความรู้ไปเรียนต่อนะไปหลายคนก็คิดจะไปเรียนต่อทำวิทยานิป ร, ปริญญาโทรปริญญาเอกอันนี้ก็เป็นการนะเพิ่มความสามารถในทางปัญญาฝ่ายที่เรียกว่าหรือเพิ่มสมรรถนะฝ่ายที่เรียกว่าหัวเหต แล้บางทีก็มีทักษะนะทักษะในการทําวิจัยทักษะในการทําสถิติอันนี้ก็อาจจะเรียนได้ในหมาาหาวิทยาลัยแต่ว่าไอ้ใจเนี่ยนะส่วนใหญ่ไม่มีเรียนนะในหมาาหาวิทยาลัยนะก็ได้แต่พูดพูดกันนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้สอนกันเท่าไหร่เลือดจะไม่ได้เห็นความสําคัญอันนี้ในโรงเรียนแพทย์นี่ก็เห็นชัดเลยนะว่าฝึกแต่เรื่องของเหตุกับแทนนะแต่ว่าไอ้ฮาร์ดเนี่ยไม่ค่อยได้ฝึกเท่าไหร่แล้วมันก็เลยเกิดปัญหานะหม อ, อ น, นี่เครียดมาก นะแลเครียดแล้วก็หาดพทางออกด้วยการไปกินเหล้าบ้างสูบบุหรี่บ้างหรือไม่ก็ระบายออกนะด้วยความโกรธทะเลาะ ก, กับไประบายอารมณ์กับพยาบาลบางคนไข้บ้างอันนี้เราก็เห็นนะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยนะแล้วก็มักจะพบว่าอายุไม่ยืนได้วยซ้ำนะหมอที่พยายามที่จะรักษาคนยืดอายุช่วยผู้คนแต่ตัวเองนี่กลับอายุไม่ยืนเนะพราะว่า มันขาดมิติด้านของจิตใจไปพวกเราเนี่ยซึ่งทำงานนะงานของพวกเราเนี่ยมันก็มุ่งช่วยเหลือผู้คนการที่เราจะทำงานช่วยเหลือผู้คนได้อย่างแท้จริงเนี่ยมันต้องอาศัยใจมากนะไม่ใช่ใจที่มีเมตตาใจที่เสียสละเท่านั้นแต่รวมถึงใจที่สามารถจะเป็นสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายได้และเป็นสามารถที่จะหาความสุข นะจากส่วนลึกด้านในของใจได้นะเช่นนะมีความสุขจากสมาธินะรู้จักปล่อยรู้จักวางนะเวลาทำงานก็ทำเต็มที่นะแต่ว่าใจไม่ซีเรียสนะทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียดนี่ทาได้นะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่พูดเป็นสำนวนนะทำเต็มที่แต่ใจไม่ซีเรียสเพราะใจรู้จักปล่อยรู้จักวางแล้วถึงเวลาทำงานเสร็จนะ ก็ไม่เอางานเนี่ยมามารบกวนจิตใจนะเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้ไม่ได้ทำงานเพียงแค่วันละ8ชั่วโมงนะหรือว่า10ชั่วโมงแต่ว่าหมกมุ่นกับงานเนี่ยบางทีสิบสชั่วโมงนะไม่ใช่เพราะว่างานมันตามไปถึงที่บ้านเท่านั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ตามไปที่โทรศัพท์มือถือไม่ได้ตามไปที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มาใช้ขณะที่อยู่บ้านเท่านั้นนะบางทีมันตามจี้เข้ามาในหัวเราเลยเวลาจะนอนก็นอนไม่หลับนะเพราะว่าใจนี่มันปล่อยวางไม่ได้นะเสร็จแล้วก็ทําให้ล้านะแล้วความล้ามากๆแบบนี้เนี่ยเพราะว่านอนไม่พอแล้วก็ปล่อยวางไม่ได้นะมันก็ทําให้ความสามารถหรือศักยภาพในการทํางานเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ แต่ละความตั้งใจที่เราจะช่วยเหลือผู้อื่นมาก็กลายเป็นว่าช่วยไม่ได้บางทีกับสร้างปัญหาให้กับคนที่เราช่วยด้วยก็เหมือนกับคนที่ดูแลผู้ป่วยนะผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยยนะบางทีมีลูกมาดูแลบ้างนะมีภรรยามาดูแลบ้างสามีมาดูแลบ้างนะแต่ว่าพอดูแลไปดูแลมาคนดูแลเครียดนเพราะว่า คนไข้เนี่ยอาการก็สุดลงไปเรื่อยๆหรือว่าอาจจะไม่สุดหรอกแต่ว่าเขาไม่ค่อยเชื่อฟังผู้ดูแลนะบอกว่ายาสูบบุหรีก็ดันสูบนะบอกว่าอย่า ก, กินของหวานเยอะก็แอบกินบอกว่าอย่า ก, กินไขมันนะก็ไปแอบกินพะโล้นะพอลูกลูกเข้าผู้ดูแลลูกเข้าเป็นไงโกรธนะโกรธมากๆเป็นไงบางทีก็ ดานะดาว่านะผู้ป่วยซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นพ่อเป็นแม่ดาว่าเสร็จก็มาเสียใจส่วนคนที่ป่วยเนี่ยก็กลับก็เครียดเหมือนกันนะกลุ่มอกล ก, ลกลุ่มใจก็กลายเป็นว่าแทนที่จะช่วยดูแลเขานะก็กลับไปทำให้เขาทุกข์มากขึ้นแทนที่จะช่วยทาให้เขาทุกข์น้อยลงก็ไปเพิ่มความทุกข์ให้กับเขาอันนี้เพราะว่าผู้ดูแลเนี่ยนะไม่ได้ไม่ได้ดู ดูแลจิตใจของตัวเองบางทีสุขภาพของตัวเองก็ไม่ได้ดูด้วยนะบางคนก็หัวใจวายนะทั้งที่ผู้ป่วยนี่ก็ยังยังไม่ตายเลยแต่คนดูแลตายไปซะแล้วนะนะซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องความล้าทางกายแต่แต่ว่ามีส่วนของความล้าทางจิตใจด้วยฉันั้นการที่เราจะดูแลใครเนี่ยนะสิ่งที่เรามองข้ามก็คือดูแลจิตใจของตัวเอง อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะพวกเราที่ทํางานเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนะเราอย่ามุ่งแต่ช่วยเหลือคนอื่นจนกระทั่งเราลืมที่จะมาดูแลจิตใจของเรานะเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลจิตใจของเราเราเองนั่นแหละก็อาจจะไปสร้างปัญหาให้กับเขานะอาจจะไม่ใช่แค่คนคนเดียวจะสร้างปัญหาหคนมากมายนะเหมือนกับนักการเมืองนะทีนะ่ต้องการช่วยเหลือประเทศชาตินะต้องการช่วยเหลือส่วนรวมช่วยเหลือประชาชน เข้าสู่การเมืองเพราะว่าปรารถนาดีนะแต่ว่าพอทำไปทาไปเครียดบ้างนะพอเครียดแล้วลาแล้วนะรู้สึกท้อแท้พอท้อแท้แล้วก็คิดว่าอุดมคติไม่เอาแล้วนะเก็บเข้าลิ้นชักนะตอนนี้ก็กรอบโกยแทนหรือบางคนก็ยังรักษาอุดมคติได้อยู่แต่ว่าถูกกิเลสมันหลอกโดยไม่รู้ตัวแทนที่จะทาเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนก็ทาเพื่อตัวเอง สนองความมักใหญ่ไฟสูงของตัวเองโดยไม่รู้ตัวอันนี้ก็เรียกว่าเพราะว่าไม่ได้ดูใจของตัว่นะอให้กิเลสเข้ามาครอบงำเราไปแพทย์ที่เครียดมากจนกระทั่งบางทนะีข่าตัวตายก็มีนะนะเครียดมากไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรรู้สึกมันท้อแท้มันหมดหวังนะแล้วริงตัวตายก็มีอันนี้ก็ก็มีอยู่เยอะนะ อันนี้ก็แสดงว่าเป็นเพราะว่ามองข้ามเรื่องของใจไปไปมุ่งแต่ผลของงานนะไปมุ่งแต่การสร้างความสาเร็จให้เกิดขึ้นนะอันจาเป็นมากที่เราจะต้องกลับมาให้ความสําคัญกับเรื่องจิตใจของเรานะทำให้ใจของเราเนี่ยนะมีสติมีสมาธินะทำให้ใจของเราเนี่ยรู้จักปล่อยรู้จักวางได้เพราะถ้าเราปล่อยวางได้นะ มันก็หมายวาควมมามว่าความเครียดเนี่ยมันเล่งงานนะจิตใจเราไม่ได้ทุกวันนี้เราฝึกเรื่องของการใช้หัวมากนะเราคิดเก่งแต่สิ่งที่เราขาดไปคือว่าการปล่อยวางความคิดหรือว่าการหยุดความคิดเนดะีย๋ยวนี้คนสมัยนีคิดเก่งมากแต่หยุดความคิดไม่ได้นะจนกินจนนอนไม่หลับคนร้ายเนี่ยคิดเก่งดีแล้วนะเพราะมันช่วยทำให้ เราสามารถที่จะทำงานได้ดีขึ้นแต่ถ้าเราไม่รู้จักปล่อยวางความคิดบ้างหรือว่าหยุดความคิดไม่ได้เนี่ยไอ้ความคิดนั่นแหละที่มันจะเล่นงานเรานะมันสามารถทำให้เราเนี่ยเป็นบ้าได้มันส า, ส, า ส, าสามารถทำให้เราเนี่ยนะีเครียดนะจนเสียสู์ได้อันนอกจากการคิดเก่งแล้วเนี่ยนะมีความรู้เยอะแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักนะวางมันลงบ้าง รู้จักวางความรู้รู้จักปล่อยวางความคิดหรือว่ารู้จักหยุดคิดบ้างซึ่งอันนี้เป็นงานสติโดยตรงนะสติช่วยทําให้เรานะเวลาคิดเราคิดอย่างมีทิศทางหรือบางทีมันไม่อยากคิดนะเพราะว่ามันกําลังสนุกนะแต่สติก็เป็นตัวกระตุ้นให้เราเนี่ยมาคิดเราคิดอย่างมีทิศทางด้วยนะและถึงเวลาที่จะพักถึงเวลาที่จะต้องหยุดนะมันก็สามารถจะหยุดได้เพราะสตินะ ช่วยกำกับจิตนะตอนนี้เวลานอนแล้วจิติก็เวลาจิตมันฟุ้งซ่านเข้าไปในความคิดเข้าไปในเข้าไปหมกมุ่นกับเรื่องงา น, นก็วางนะก็ทำให้สามารถจะพักผ่อนะพักทั้งกายพักทั้งใจได้เพราะนั้นเนี่ยการที่พวกเรามามาที่นี่เนี่ยนะก็ให้ก็ให้ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้สมัตธนะของเรานะครบท่วนทั้ง3าประการแล้วก็ได้ความสมดุลกันนะ ได้สมดุลทั้งสิ่งที่เรียกว่าเฮตทักษะคือแฮนแล้วก็ใจคือฮาร์ดเนี่ยไอ้3ตัวเนี่ยถ้าเราถ้าเราไม่ทิ้งไม่ทิ้งอันใดอันหนึ่งเลยแล้วก็ทำให้สมดุลเนี่ยมันก็จะทำให้งานของเราเนี่ยมันได้ผลเสร็จแล้วตัวเราเองก็เป็นสุขด้วยข้ามนี้ยก็เพกันเท่านี้น ะ, ะกลับห้ง